ปัญหาที่ 9. ้าถามเรื่องการลนานยืดยาวข้าแต่พระนาคเษนคำที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าซึ่งการนานหนักนานแล้วนั้นคำว่านานนั้นหมายถึงอะไรขอถวายพระพรหมายถึงการอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสังขารทั้งหลายมีอยู่ นานทั้งนั้นหรือขอถวายพระพรบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีอะไรมีอะไรไม่มีขอถวายพระพรสังขารที่ล่วงลับดับสลายไปแล้วแปรปรวนไปแล้วไม่มีส่วนสิ่งที่เป็นผลกรรมและสิ่งที่เป็นผลกรรมให้เกิดต่อไปนั้นยังมีอยู่นานสัตว์ราวใดตายไปแล้ว สัตว์เหล่านั้นไปเกิดในที่อื่นสัตว์เหล่านั้นยังมีอยู่นานส่วนพระอริยบุคคลที่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่มีอยู่อีกเพราะปรินิพพานแล้วขอถวายพระพรถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าจบวรรคที่สอง